การรับสิทธ์ในยุคปลายสมัยลูกศิษย์ทุกท่านที่เข้าไปศึกษากับท่านพระอาจารย์มั่นในยุคตน้ตนๆท่านจะเร่งในเรื่องการทําความเพียรเดินจงกรมและภาวนาอย่างชนิดที่เรียกว่าเอาเป็นเอาตายสิทธ์ก็มีความเชื่อมั่นกับครูบาอาจารย์มีความเชื่อมั่นต่อพระพุทธเจ้า ว, ว่าไม่ตายเพราะเราทําถูก แต่อย่าทำผิดพื้นฐานคือพระวินัยรับรองไม่ตายยุคหลังนักศึกษาที่สำเร็จนักธรรมสำเร็จบาลีมาก็เริ่มเข้าไปศึกษาท่านเหล่านี้ยกตัวอย่างท่านอาจารย์มหาบัวท่านพระอาจารย์มั่นพูดไม่มากได้ฟังแล้วก็เข้าใจเป็นลนักษณะของผู้มีปัญญามาก ผู้ที่ผ่านการศึกษานักธรรมบาลีมาแล้วจึงจะรับให้อยู่ในสำนักสามเณรก็ต้องอายุถึง17ปีซะก่อนทำบัตรประชาชนแล้วถึงจะรับถ้าเป็นพระต้องคัดเลือกทหารก่อนท่านถึงจะรับต้องผ่านการศึกษามาแล้วเพราะว่าเขาเหล่านี้รู้แบบแผนแล้วเมื่อมาปฏิบัติจนรู้เห็นด้วยจะเป็นประโยชน์ทั้งสองด้าน สามารถเผยแผ่ศาสนาไปในทางที่ถูกต้องอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของท่านพระอาจารย์มันสิทธิ์ที่เข้ามาในยุคปลายก็มีท่านอาจารย์วันท่านอาจารย์วิริยังหลวงปู่ล่าและลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณธรรมเจดีที่ผ่านนักธรรมบาลีมาทั้งนั้นเช่นเจ้าคุณมหาเขียนเจ้าคุณมหาโชติพระมหาพระทิ์เจ้าคุณกงพระมหาศีล หมายเหตุผู้อ่านเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทุกคนควรนาไปพิจารณานะครับเพราะเท่าที่มีการเผยแพร่ยอยู่นั้นมักจะเข้าใจผิดไปว่าปรากรรมฐานสายพระป่านั้นเน้นปฏิบัติไม่เน้นปริยัติซึ่งไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องนักเพราะแม้แต่หลวงปู่มั่นท่านก็ศึกษาปริยัติมาพอสมควรดังนั้นจึงขอฝากกับผู้ปฏิบัติทุกท่านว่าการศึกษาปริยัติ ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากการจะเดินทางเราต้องรู้ที่หมายต้องรู้แผนที่ซะก่อนถึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องตรงทางและไปถึงที่หมายได้จริงและปัจจุบันการศึกษาด้านปริยัตที่ง่ายที่สุดก็คือหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายที่สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตท่านสรุปเนื้อหาจากพระไตรปิฎกไว้ให้ศึกษาได้ง่ายทั้งการจัดเรียงเป็นหมวดหมู่กับการแปลได้ตรงความหมาย อธิบายศัพท์ให้เข้าใจได้ง่ายและเป็นพื้นฐานของปริยัติเบื้องต้นได้ดีมากเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนควรได้ศึกษาได้อ่านได้ฟังสักครั้งในชีวิตนะครับ